ไหมโลภโกรธหลงเคยโลภโกรธหลงมากี่ยุกี่สมัยมาเดี๋ยวนี้มันก็ยังโลภโกรธหลงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละกิเลก็ของเก่านะธรรมะก็ของเก่างั้นฟังก็จะฟังแต่เรื่องเก่าๆจริงๆธรรมะมีมากมายนะยากที่จะเรียนให้ทั่วถึงไม่มีสาวกองใดนะกระทั่งภาษารีบุตรเลยเนะี่ย ที่จะสามารถรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะความรู้ของพระพุทธเจ้ามีมากนะนี่สาวกมีความรู้ไม่มากขนาดความรู้ที่ไม่มากนะมันก็ยังมากอยู่ดีนะอย่างธรรมะที่เราต้องศึกษาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะฝ่ายชั่วๆอากูศลกรรมบท10สิบอย่างกว่าจะละได้หมดก็ไม่ใช่ง่าย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 สุดท้ายนะถามท่านซื่อๆเลยที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหมนะท่านบอกว่าธรรมะ 84%,00 มพระธรรมขันธนะ์ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะนี่จิตของเราเนี่ยไม่เฉลียวฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเรารู้ไม่ถึง 84%, ดหมพันพระธรรมขันธ์หรอกนะแต่ว่ามันก็รู้พอที่จะปนทุกได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 ท่านไม่ได้ว่าปริยัติไม่ดีหรือต้องเอาปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้สอนบอกว่าห้ามพูดเรื่องปฏิเวทไม่ใช่เานะฉะนั้นธรรมะเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนามาท่านสอนหลวงพ่อมานะมันทําให้เรานึกถึงคำในพระไตรปิฎกนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้น ง, งามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดงามจริงๆนะ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 ก็ปล่อยพลังของความเบื่อออกมานะวันไหนเทศง่ายเกินไปนะพวกที่รู้เรื่องแล้วก็เบื่อนะปล่อยพลังของความเบื่อออกมานะเพราะฉะนั้นเทศได้ไม่นานนะต้องเทศก่อนที่จะเบื่อนะแล้วก็ความอดทนที่จะฟังของพวกเราเนี่ยมีไม่เกิน20นาทีหรอกนะอันนี้เป็นมานานลวหลวงพ่อสังเกตเห็นแต่ก่อนหลวงปู่เหรียญมาเทศนะเทศนั่งตรงนี้ตรงที่ท่านอาจารย์มหาประจวบนั่งเนี่ยเทศเทศ20นาทีจบ 20นาทีอา้าวเชิญใครจะคุยเชิญสังเกตใจไหมใจเลือกลักเลืกๆไปทั้งห้องแล้วรู้สึกไหมดูของเราเองนะหลวงพ่อพาดูทีละคนไม่ไหวค่อยๆสังเกตของเรานะสังเกตไหมตอนนี้ใจไหลายๆหลเริ่มไหลแบบเนียนๆมากขึ้นไม่กระโชกโขห้างแบบเ<ก>มื่อกี้กรู้สึก ไ, <ป>ไหมส่วนใหญ่ใจเริ่มเคลื่อนแบบเนียนๆคอยรู้ทันไปนะ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 แต่สติเราเกิดบ่อยเราก็เลยรู้สึกตัวเนี้ยมันทรงอยู่นานๆค่ะแต่แต่มันก็เกิดดับเหมือนกันอต้องดูให้เกิดดับคือดูทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องหลวงปู่ลาวท่านเคยสอนนะบอกว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะคือนค่ะคือดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะให้ให้ดูเป็นปัจจุบันแล้วทีนี้อ่แล้วเราก็จะรู้ว่า ขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไปร่วมไปร่วมกับขันห้าที่เป็นทุกข์ อ, อย่างยกตัวอย่างนะคะเอะสังขารมันปรุงขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอยากจากงานนะคะทีนี้มันมันขาดไปเลยนะคะเพราะว่าจิตจิตขณะนี้เป็นไงจิตขณะนี้แหละค่อจิตขณะนี้ไม่บอกให้หลงวงพ่อชื่นใจสิ้นจิตขณะนี้เป็นยังไง <laughs> มันมันมันไม่เที่ยงนะมันยังแก่ๆอยู่เนียคะมันคือ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 พอเรามีสติเราหลุดออกจากโลกของความคิดตัวเราก็ไม่มีอ้าวต่อไปใครครับนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อพอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกแล้ว เ, เคยฟังซีดีหลวงพ่อมาด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็พาลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายกําลังเขินอยู่ <laughs> หัดลูกของเราเองน ะ, ะโกรธเป็นไหมโกรธเป็นไหมโกรธเป็นค่ะ โลบเป็นไหมเป็นค่ะเออใจลอยเป็นป่าเป็นค่ะทุกข์สาน้นน่ะเป็นค่ะติดฉาเป็นไ้ยเป็นค่ะดูเป็นทุกตัวเลย <c oughs> ตัวไหนกําลังปรากฏอยู่ในใจเราก็รู้ว่ามันปรากฏอยู่ค่ะฝึกเท่านั้นแหละค่ะเด็กเล็ก ๆ, ๆยังดูได้เลยขอบพระคุณมากเลยค่ะครับก่านนวมัสรรการนะครับก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมานะฮะฟังตั้งนานแล้วนะฮะก็อยากขอโอกาสถาม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 อะไรๆก็จะไม่เอาหมดเลยโซอถกถูกเป๊ะเลยครับเออถูกสีไม่หลอกหลอกอ <laughs> ให้รู้ทันลงไปนะว่าใจไม่ตั้งมัน่นไปดู<ช>ตัวนี้<ะ>ก่อนนี่เอต้องขอกันบ้างรือขอกฎหมายฐานอะไรสักหน่อยละให้มันคือผมได้รับคําชี้แนะจากท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ ข, ของเอออย่าอย่าออกชื่อบอกว่าอไม่ออกชื่อก็ได้ะฮะ <laughs> <laughs> คือบอกว่าผมบอกเออรู้สึกอยู่ที่ที่ที่ที่ทร่งอกเนี่ยนะอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกอยู่เนี้ยรู้สึกไปรู้สึกเองนะฮะ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 ดูออกครับเราหัดภาวนานะเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นปฏิจจส ม, มุปบาทท่านท่านนี้ก่นท่านปลายๆก่อนแต่ถ้าแจ้งปฏิจจสวัปส่วนต้นนะน น, นจะขําพบคาํามชาติจรู้แจ้งว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารนะั่นแจ้งอวิชชาพอ ร, รู้แจ้งอวิชชาละอวิชชาได้ครับตอนนี้เราเห็นแต่ว่าเั็นเกตุไหมก่อนจะมีตัณหามันมีผัสสะก่อน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 จะสลับกันไปเรื่อยๆให้คอยรู้ทันจิตวิ่งไปในโทรทัศน์ก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้ะเช่นดูหนังนางเอกกําลังถูกตบแล้วจิตหนีกกนหนไปคิดเลยอืนางอิจฉานี่มันร้ายจริงเนยรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดละะเกิดสงสารนางเอกขึ้นมารู้ว่ากําลังสงสารอยู่เนี่ยฝึกดูอย่างนี้ไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะ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 คยอันนี้คือมีเคยเคยอ่าน command, หนังสือเจอค่เหมือนกับว่าในหนังสือก็อธิบายว่าคือเราก็ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามรู้รจิตนะไม่ใช่ตามรู้เรื่องที่คิดไปเรื่อยๆนะตามรู้ว่าจิตไปคิดพอรู้ทันจิตก็หยุดคิดเดี๋ยวจิตก็ไปคิดอีกเราก็รู้ว่าจิตไปคิดพอรู้ทันแล้วมันก็หยุดคิดอีกเ ร, <get t Snapchat> เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้จะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราการที่เราจะต้องเอาธรร ม, มาอย่างเช่นแบบกดไตรักเข้ามาประยุกต์หลังจากนั้ น, นว่าแบบก็คือแค่แค่คิดสิแค่แ ค, แค่รูร้ทัน ว, ว่าวยอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่า<ช>จริงมันไม่ไม่เที่ยวอย่างความโกรธเกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเรารู้ทันว่าความโกรธเกินดนะความโกรธก็จะหายไปเดี๋ยวความโลภก็เกิดอีกพอเรารู้ทันความโลภก็หายไปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลงไปอีกละ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 แต่ถ้าจิตเรามีกําลังเราเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ให้ตามดูไปไม่ต้องไปคิดเรื่องใจรักใจรักไม่ได้เอาไว้คิดใจรักต้องไปเห็นเองใจรักที่คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาณะนะถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ตรงที่ยังคิดอยู่นะคิดถึงใจรักอยู่เนี่ยเห็นความเป็นใจรักด้วยการคิดเอาเขาเรียกมีปัญญาชนิดที่เรียกว่าสัมมัสสนญาณ ย, ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาดังนั้นต้องพ้นจากความคิด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 พวกที่เฝ้ากล่องนะใจลอยหมดเลยอ้าวว่าไป ร, หรอหลวงพ่อตื่นเต้นแล้วก็สลับกับง่วงค่ะ mm hmm. แล้วก็ดูจิตมาสักระยะหนึ่งต่อนหน้านั้นทำรูปแบบคือเคลื่อนไหวสร้าง่องหวะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่วันมาห้าวันแล้วมันไม่ตื่นเลย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 ไปอยู่ห้าวันนี่มันเสียเวลาเรามากเลยแต่มาฟังซีดีหลวงพ่อแป๊บเดียวมันตื่นสดชื่นขึ้นมาเลยโอ้ย อ, อย่าไปเทียบอย่างนั้นนะเ <c oughs> นี่ยท่านนั่งอยู่นี่เดี๋ยวท่านว่าเอาแล้วก็รู้สึกว่าจะหลงคิดไปมากอยู่อะค่ะเออสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนั่นนะสุดยอดกรรมาฐานละครั <c oughs> เราไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนอย่างท่านสอนขยับเนี่ยท่านบอกขย่าวธาตรู้ใช่ไหมท่านขยับเพื่อจะรู้สึกตัวเพราะเราขยับเพื่อจะให้จิตสงบเงนี้ย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 ชิดดูซิว่าเรานั่งอยู่นี่แล้วมีเสียงคนพันคนพูดพร้อมๆกันอะ่ะมันมีความสุขแลที่ไหนอะ่ะอย่าไปเอานะไปดูจิตคนอื่นนะหมดยังผมนี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อก่อนนี้เคยปฏิบัติเคยเคยปฏิบัติแล้วมันค่อนข้างจะไปเป็นทางสมถะแล้วก็จิตมันจะฟุ้งฟูฟุ้งซ่านนั่นลักษณะฟุ้งซ่าน ต่อหลังมาเดือนประมาณเดือนหนึ่งผมมีโอกาสฟังซีดีของพ่อก็ mm. เ, เลยมามาเริ่มมาหารมาดูจิตตอนนี้เวลามาเวลาทำปฏิบัติเนี่ยจิตมันคอยจะไหลไปที่จมูกแล้วก็ตัวมันก็จะแบบปองๆอ ง, องมันจะรู้สึกตัวสภาวะตอนนี้นี่รู้สึกว่าตื่นๆนตื่นๆ น, น, น, น, นี่ผมไม่ทราบว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยผมมันกลัวว่าปฏิบัติผิด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 ยิ่งนิ่งเรายิ่งดีเรรู้สึกอย่างไรจริงๆเราหลงอยู่แล้ที่เราจิตพอคอยมันคอยจะไหลเข้าไปอยู่ที่ที่ลมหายใจนี่ถูกถูกไหมครับอะไรนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกเราจะมันจะลงไหลไปอยู่ที่ลมลมหายใจให้เรารู<อ>้ทันให้เรารูา้ทันว่าความรู้สึกเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจใช้ได้เลยแต่ถ้าความรู้สึกไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มเคลิมไปใช้ไม่ได้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 บางทีเราสวดมนต์อยู่มันก็ไปคิดเรื่องอื่นได้เองนะคะแล้วก็มันทําองไปอื่นเจ้าค่ะดูอย่างนั้นแหละอย่าขี้เกียจนะดูไปเรื่อยๆอมาวันนี้อยากจะมาขอกันบ้านเจ้าค่ะเราต้องไปทําต่อค่ะต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าใช้ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มมันึงก็คือต่อไปนี้เวลาร่างกายกระดูกกระดิกนะก็รู้สึกบ้างแต่ไม่ใช่เพ่งร่างกายนะค่ะแค่รู้สึกแค่รู้สึกเวลาที่ร่างกายอยากพูดรู้สึกไหม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 คะ่ะจบหมดแล้วเรือ่องหนูค่ ะ, ะกลับลมัมกากหลงพ่อค่ะลูกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแล้วซื่อก่อนหน้านี้ลูกเคยแต่ไปแต่วัดบ้านไปถึงก็ปัญญาไม่เกิดว่าวัดป่าเราไปอยู่กุดก็ต้องจุดเทียนก็ตั้งสติพอภาวนาตอนเช้าทำวัดเช้าว่ะค่ะก็เกิดนิมิตเห็ น, เ ห, นเห็นละเห็นหน้าตาตัวเองมีมีหนอนมี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 เนี่ตอนนี้ถูกมากกว่าแต่กี้รู้สึกไห้ใจมันคลายออกตรงที่เรารู้สึกตัวนะใจจะผ่อนคลายถ้าหากเราภาวนาแล้วใจเครียดเครียดใจแข็งแข็งนะในขณะนั้นไม่ถูกขณะนั้นเพ่งไว้บังคับไว้กดเอาไว้เนี่ยตอนเนี้ใจลอยทราบไหมคอยรู้เรื่อยๆนะแล้วก็อย่าไปกดมันแรงปล่อยมันบางทีก็ไปติดขมมันเออนั่นแหละไปขมมันปล่อยมันไปขมมันไว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 ปล่อยมากกว่า น, นี้นะปล่อยมากกว่า น, นี้ให้ผ่อนคลายกว่า น, นี้อีกหน่อย ค, คือตอนนี้กลัวหลวงพ่อมันได้นิ่งเกินจริงไปเยอะเลยปล่อยๆซะนะที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้แล้วตอนนี้มันเออเรอไปเพราะว่ากลัวก็เลยไปเพ่งไว้ขอบคุณครับหลวงพ่อคะกลับนมัดกการหลวงพ่อค่ะคือลูกได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ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 เริ่มรู้สึกกายรู้สึกใจอะค่ะพอทําได้สักประมาณสองวันนะคะลูกก็ทํากิจวัตรประจําวันตัวเองอยู่ะนะคะก็เผลอไปคิดพอเผลอไปคิดปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพอพอรู้สึกว่าตัวเองเผลอไปคิดเนี่ยมันมันเห็นตัวเองอะค่ะมันเห็นตัวเองกําลังนั่งทํานั่งถูสบู่อยู่อะค่ะหลวงพ่อก็มีความรู้สึกตกใจมากอะค่ะเพราะมันเหมือนเป็นความว่างที่ลอยอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วทีนี้ก็คือหนึ่งตกใจแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า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 เห็นสภาวะตอนอาบน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยแล้วตอนอาบน้าใช่ไหมทำไมมันรู้สึกง่ายเพราะมันกาลังสัมผัสตัวเองอยู่มือกาลังรูปลงไปในวัตถุในก้อนธาตุอันนี้และเนี่ยแล้วโดยที่ไม่ได้เจตนาสติมันรึกได้ถึงความเป็นก้อนธาตุของมันงั้นตอนที่อาบน้ำนะอย่าโวแต่ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ทำเพลงนะบางคนเข้าห้องน้ำทิงชั่วโมงเสียเวลา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 ใช่อยากแค่นี้เองนะกิเลสมันเกิด <Service S 1> <OB disease. S 2> ตัณหามันเกิดความอยากมันเกิดแล้มันก็เลยไม่เห็นเพราะสติไม่เกิดค่ะตอนนี้คือภาวนาแล้วเครียดของหลวงพ่อเครียดมากแล้วก็เอออย่าไปเครียดทําเล่นๆมันมีเครียดกับเผลอค่ะอืมเผลอตรงที่เผลอไม่เครียดนะตรงที่รู้ว่าเผลอก็ไม่เครียดแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ชอบที่จะเผลอก็เลยเครียดมันมีสามสักจังหวะนะเผลอไปตรงที่เผลอไม่เครียดหรอกตรงที่รู้ว่าเผลอก็ยังไม่เครียด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 แล้วเราก็พยายามทําดึงจิตนี้กลับเข้ามาสู่ในร่างกายหรอคะไม่ต้องทํเหล่านะจิตไม่หนีไปไหนหรอกอเดี๋ยวมันก็มาเองอะเดี๋ยวก็กลับเข้าไปเองใช่มเออไม่กลับก็ชั่งมัน <c oughs> ก็ร่างกายเป็นของไม่ดีไม่ใช่เหรอค่ะเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าอยากหนีไปพอมันหนีจริงๆชักยอมไม่ได้อีกละค่ะแล้วสอบถามนิดนึงค่ะว่าการสวดมนต์นี้เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือเปล่าคะ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 นี่พอความสุขผ่านไปเราก็เสียใจใช่ไหมความทุกข์ไม่ไปสักทีหนึ่งเราก็เสียใจอีกก็ช่วงแรกก็แบบยังทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ไม่ต้องทําใจก็คือปล่อยให้อารมณ์ตรงนั้นคือเราเสียใจให้เรารู้หรื อ, อว่าเร า, เราเสีย<ร> <c oughs> ใจเราคอยรู้ไปนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะเราก็เปลี่ยนความรู้สึกซะบ้างนะเปลี่ยนผ่อนคลายก่อนผ่นะอนคลายเช่ น, นไปดูหนังฟังเพลงบ้างแต่ไม่ใช่เที่ยวตะลอดเปิดเปิงไปนะ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 มันจะตกนรกตกทั้งคู่แหละไอ้คนนั้นก็ตกไอ้คนทําก็ตกนะแต่ถ้าคนที่เราเนี่ยพ่อแม่เราจะตายนะอย่าเป็ขยับขยับนะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะเขาเลยไม่อยากตายเห็นะตายปุ๊บเป็นเปรตเลยะพอเขาเป็นเปรตจริงๆนะเขาบอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเะอะมันเอาอยัางไงแนะ่มันอยากให้อยู่ด้วยหรือเปล่านั่นอยู่ที่ใจเรานะเราต้องรักษาจิตของเราไว้ให้ดีนะให้จิตของเราเป็นกุศล น, นะในขณะที่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 ยถาวอริวะฮาปุราปาริปูเรนตีสักขะรังเอวเมวัยโตดินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเภปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีคาโยโภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาไปในโลกมีแต่ความทุกข์นะช่วยตัวเอง